วันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่ขึ้นสิบสามค่าเดือ น, 11, นสิบเกดณสวนยางบ้านคลองเลนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาลมัด อาตมาได้เดินทางมาจากจังหวัดขอนแก่น่ห้มาบรรยายทา ห, หรือวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความรูกแก้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่ที่ทุกคนแสวงหาทางพ้นทุกข์ ดัง น, นั้นวันนี้เมื่อได้พูดถึงความรู้แจ้งเห็นจริงหร้อคนทุกนั้นคนเราส่วนมากถ้าหากคนทุกก็ต้องไม่อยู่กับโลกแล้วถ้าหากเห็นแจ้งก็ต้องไปบวชเป็นพระสงฆ์องค์เนรหรือเป็นพระอรหันต์คำว่าอารหันต์หรืออรหันเนี่ก็มันเป็นคําคําที่สมมติมนัน เมื่อเป็นชิ้นนี้อาตมาจะลิเลิมที่อาตมาได้ประสบการมาที่แรกอาตมาก่อนที่จะรู้แต่ไม่ต้องเกี่ยวข้องเรื่องการรักษาศีลให้ทานทํากรรมฐา น, น, มาฐานไม่ต้องพูดก็ได้มันเป็นเรื่องสมมุติพูดขึ้นมาสมมุติมีมากมายหลายเรื่อง เหมือนกับใบไม้ในป่าที่สวนยางนี่แหละสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราพาภิกษุจํานวนหนึ่งเดินเข้าไปในป่าพระพุทธเจ้าของเรานี่เห็นใบไม้มันแห้งหรือมันหล่นล่วง ล, งลงมาตั้งแต่ปลายมันตกลงมาทั้งดินมันแห้งอยู่ตามพื้นดินพระองค์ก็เลยเอามือล้วงลงกำเอาใบไม้แห้งเต็มกํามือหนึ่งขึ้นมายก ถามภิกษุที่ติดตามพระองค์ไปนั้นว่าใบไม้ในป่ากับใบไม้แห้งในกำมือของเหล่านี้เมื่ออามาเปรียบเทียบกันแล้วอะไรจะมากน้อยกว่ากันภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็เลยตอบพระองค์ว่าใบไม้ในป่านั้ น, นมีมากพระเจ้าค่ะ แต่ใบไม้ในกำมือของพระองค์นั้นมีน้อยมากที่สุดจะเปรียบเทียบกันนั้นหาไม่ได้เลยวายตอนนี้ที่เราทําบุญให้ฐานรักษาสินั้นเหมือนมากแต่ที่มันน้อยที่สุดนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ทุกคนมีสติเมื่อมีสตินั้นหรอกก็พูดกันหรอสติคมและลึกได้สัมปาศริญโภมรูโต้ ว, วาย แต่ตอนนี้ก็มาพูดกันให้รู้จักเรื่องคุณค่าของการมีสติที่อาตมาได้ไปดูหนังสือนวพรวาทมีทําอยู่สี่สี่ข้อหรือสี่หมวดด้วยกันหมวดที่แรกที่สุดทําที่มีอุปกระมากสองอย่างหนึ่งสติความระลึกได้ สัมปาชนะพรมรูตัวอันนี้เป็นบทแรกที่สุดบทต่อไปว่าธรรมที่เป็นโลกกบาลคุ้มครองโลกสองอย่างหิคมละอายแก่ใจโอตปะโขมเกรงกลัวต่อบาปกรรมบทที่สามท่านกดสอนเอาไว้ว่าทมอันทาให้งามสองอย่างขันติควมอุดทนโหรจา่าขมเสียงในบทที่สี่นั้น จะพูดก็ได้หรือไม่พูดก็ได้ในบทที่สามอัตมาก็บางทีอาจจะพูดก็ได้หรือไม่พูดก็ได้บทที่สองก็เหมือนกันพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้บทที่สําคัญเราควรสํานึกควรพิจารณาให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าทำที่มีอุปกระมากสองอย่างนี้ท่านไม่ได้พู ด, ดเรื่องเงินเขาว่ามีค่ามากที่สุด คำว่าอุปกัรมากนั่นก็นหมายถงึงมีค่ามากที่สุดคำว่าค่ามากนี่ท่านไม่ได้หมายถึงว่ามีเงินร้อยล้านพันล้านเปรียบเทียบอย่างนั้นมันไม่ได้หรือว่ามีทองคำเท่านั้นกิโลเท่านี้กิโลท่านก็ไม่เปรียบเทียบอย่างนั้นคำว่ามีอุปกัตรมากมีหมายถึงไม่กำหนดกฎเกณฑ์หาประมาณไม่ได้ ถ้าพูดถึงว่าหาประมาณไม่ได้ก็เหมือนดิบที่จะพูดว่าหลุดพ้นหรือเป็นพระอาหารหันนี้เองเอาเงินไปซื้อให้มันหลุดพ้นจากความเป็นมนุษย์ความเป็นทุกข์นี่ไม่ได้เอาเงินไปซื้อให้เป็นพระอาหารหันก็ไม่ได้จะหลุดพ้นได้เพราะการเจริญสติเท่านั้นหรือจะเป็นพระอาหารหันได้ก็เพราะการเจริญสติเท่านั้น นอกจากวิธีการเจริญสติแล้วไม่ไมีทางจึงได้มีความหมายไว้ว่าทำที่มีอุปกรณมากสองอย่างหนึ่งสติคนละลึกได้คําเดียวเท่านี้ก็พอสัมปชะชะยะโฮมรู้ตัวการรู้ตัวกับการละลึกได้นั้นถ้าจะพูดได้เป็นคําเดียวกันคนมีสตินี่แหละการทําการพูดการเคิด จะไม่พลาดผิดการเจริญสตินั้นท่านว่าให้ทำบ่อยๆทำบ่อยๆก็ทำความรู้สึกนี่เองเมื่อพูดถึงความรู้สึกแล้วก็พูดวิธีปฏิบัติพร้อมๆกันไปทุกคนต้องต้องทำตามธรมาก็ได้เอามือเรามาวางไว้บนขาทั้งสองขานั่นเองเอั้ว ม, มือไว้ ตามเท่าที่อาตมาได้ทำทำอย่างนี้พลิกมือขวาตะแคงขึ้นทาํชาช้าช้าให้มีความรู้สึกความรู้สึกนั้นท่านเนวสติยกมือขวาขึ้นครึ่งตัวแล้วก็รู้สึกว่ามันไหวขึ้นมาแล้วกันมันหยุดนิ่งก็รู้สึกตัวมัน เ, นเลื่อนมือขวาเข้ามาที่สะดือเรา เมื่อมือมาถึงที่สะดือล้วก็มีความรู้สึกว่ามันหยุดแล้วล้วก็รู้ทิศมือซ้ายตะแขงขึ้นที่ขาซ้ายชันไวเราก็มีความรู้สึกยกมือซ้ายขึ้นครึ่งตัวให้มีควมรู้สึกหยุดไวมันจะเลื่อนมือซ้ายเข้ามาทับมือขวาที่สะดือลรวก็รู้สึกอันนี้เรียกว่าการเจริญสติ ความรู้สึกนั่นท่านเรียกว่าความตื่นตัวหรือว่าความรู้ตัวนีว่าสติเลื่อนมือขวาขึ้นหน้า อ, อกทำสะชามาถึงหน้า อ, อกแล้วออหยุดไว้เลื่อนมือขวาออกมาตรงข้างไหวมา ส, าสายชาเมื่อมาถึงที่ตรงข้างหยุดแล้วก็ลดมือขวาลงที่ขาขวาตะแคงเอาไว้ให้รู้สึกตัว ข้อมือขวาลงที่ขาขวาให้มีควมรู้สึกตัวเลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้าอกให้มีควมรู้สึกตัวเอามือซ้ายออกมาที่ตรงข้างให้มีผมรู้สึกตัวลดมือซ้ายลงที่ขาซ้ายตะแคงเอาไว้ให้มีผมรู้สึกตัวข้อมือซ้ายลงที่ขาซ้ายให้มีควมรู้สึกตัวอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติ เป็นการเจริญสติเราไม่ต้องไปศึกษาเราเรียนในพระไตรปิฎกก็ได้การไปศึกษาเราเรียนพระไตรปิฎกนั้นมันเป็นพิธีคำพูดเท่านั้นมันไม่ใช่เป็นการปฏิบัติเพื่อความเห็นแจ้งการปฏิบัติทุกความเห็นแจ้งทาอย่างนี้แหละรับรองว่าทุกคนต้องทำได้เมื่อทุกคนทำได้ทุกคนก็ต้องหลุดพ้นได้ เมื่อทุกคนหลุดพ้นได้ถ้าจะพูดถึงเป็นพระอาหารหันต์ก็ต้องทุกคนก็ต้องเป็นพระอาหารหันต์ได้ตอนที่พูดถึงความเป็นพระอาหารหันต์และความหลุดพน้นนี้ก็ต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเพราะเราไปสงสัยไปเข้าใจกันไม่ถูกตรงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าความหลุดพ้นนั้นเรานึก เอาเองว่าหลุดพ้นอย่างนั้นหลุดพ้นอย่างนี้หรือหลุดพ้นจากกิเลสเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเราไปคาดคิดเอาเองคำว่าความหลุดพ้นนี้ก็หมายถึงความโกรวมโลกความหลงมันไม่มีอยู่ตลอดเวลาเราทําความเห็นแจ้งอันนี้แหละไปว่าหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้แหละ หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ท่างกะว่าความหลุดพ้นจากความเป็นทุกข์ทุกข์เกิดขึ้นเพราะมีความหลงเมื่อมีความหลงแล้วทำพูดคิดอะไรก็ไม่ถูกต้องอย่างนั้นการเจริญสตินี่ต้องทํามากๆทําบ่อยๆนั่งทําก็ได้นอนทําก็ได้ขึ้นรถลงเรือทําได้ทั้งนั้น เวลาเรานั่งรถเมเรานั่งรถโ ด, ดนก็ตามเราเอามือวางไว้บนขาทิศขึ้นค่อมลงก็ได้หรือเราไม่อยากทิศขึ้นค่อมลงเราเพียงเอามือสัมผัสนมืออย่างนี้ก็ได้สัมผัสอย่างนี้ให้มีความตื่นตัวทำชา้าๆหรือจะกํามือเหยียดมืออย่างนี้ก็ได้หรือเราจะเอามือสัมผัสขาเราอย่างนี้ก็ได้ไม่มี เวลาที่จะทำบางคนว่าทำไม่ได้มีกิเลสเข้าใจอย่างนั้นอันนี้ถ้าเราตั้งใจเราต้องมีเวลามีเวลาเพราะเราหายใจได้เราทำการทำงานอะไรให้มีควม ร, รูปป้ตึกตัวเส้นเราเป็นครูสอนหนังสือเวลาเราจับดินสอออกมาเขียนหนังสือ เรามีความรู้สึกตัวเขียนตัวหนังสือไปแล้วก็รู้อันนี้เป็นการเจริญสติแบบธรรมดาธรรมดาศึกษาธรรมะกับธรรมชาติเวลาเราทานอาหารเราเอาซ้อนเราไปตักเอาข้าวเข้ามาในปากเราเรามีความรู้สึกตัวในขณะที่เราเคี้ยวข้าวเรามีความรู้สึกตัวเริ่ข้าวไปในท้องไปในำลำคอเรามีความรู้สึกตัว อันนี้ก็เป็นการเจริญสติยาเพิ่งพูดว่าไม่มีโอกาสไม่มีเวลานั้นอันนั้นเป็นคนที่ไม่ตั้งใจคือไม่รู้จักไม่สนใจเรื่องชีวิตนี้เองเมื่อเราทําอย่างนี้ทาบ่อยๆมันจะปรากฏความปรากฏนั้นคือความสะสมอันนี้เป็นเหตุผลของมันเกิดขึ้นนั่นเรียกว่ายานของปัญญา เหตุของมันคือทำความรู้สึกสมมุติเราเอาผลไม้ไปลงดินเมื่อเอาผลลไม้เอาเม็ดพืชอะไรต่างๆนี่ไปเพาะไปปลูกไว้เราเอาน้ําไปลดมันลดบ่อยๆความอบอุ่นกระทบเข้าไปในผลเม็ดพืชอันนั้นมันก็แตกขึ้นมามันก็เป็นผลขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันที่เราทำํำนี่เป็นเหตุของมัน เหตุของมันคือเราทำความรู้สึกผลของมันปัญญามันจะรู้ขึ้นมาทันทีอันนั้นเป็นรูป น, นี่เป็นนามเราจะรู้จักเองแต่ไม่ไปสนใจมันที่อาตมานํามาเล่าให้ฟังนี่จําได้นี่อันนี้รู้จําเมื่อเรารู้จำแล้วต้องพิจารณารู้จักรู้จักแล้วก็ใช้สติปัญญาพิจารณาธรรม ให้มีสติตื่นตัวอยู่เสมอเป็นการรู้แจ้งเป็นการรู้จริงคำว่ารู้แจ้งรู้จริงนี้หมายถึงรู้อยู่ทุกขณะทุกเวลาอันนี้รู้แจ้งรู้จริงอย่างไรก็ตามจำเป็นรู้จำก่อนบัด น, นี้เมื่อเรานั่ ง, งานานๆมันจ็บแข้งจ็บขาจ็บหลังจ็บเอวเราก็ต้องเดิน เดินไปเดินมากล้าวเท่าไปกล้าวเท่ามาทำความรู้สึกแต่ไม่ได้พูดว่าสายยางหนอหัวยางหนอไม่ต้องพูดเพียงเอาความรู้สึกเท่านั้นอันความรู้สึกนั่นแหละเป็นการเจริญสติคาว่าสติคมและลึกได้อันคมระลึกได้กับความรู้สึกนั่นเป็นอันเดียวกันบัดนี้เมื่อเราทำบ่อยๆ คคุ้นเคยมันบ่อยๆเมื่อมันคิดวูบขึ้นมาเราจะรู้สึกอันความรู้สึกนั้นท่านเรียกว่ามีสติมันรู้สภาพหรือภาวะของความคิดดังนันการเดินจมกรมก็เป็นการเจริญสติเป็นการระลึกได้จริงๆทนนี้ไม่จํากัดไม่กำหนดกฎเกณฑ์จะเป็นคนหนุ่มคนสาว เป็นคนเท่าคนแก่กลางคนก็ทําได้เพราะเราไม่ต้องการข่มทุกเมื่อเราทําอย่างนี้ข่มทุกมันหายไปเองสมมุติเหมือน ก, นกันกับที่เราอยู่ที่มืดเราไม่ต้องการข่มมืดแต่เราไม่รู้จักวิธีที่จะไล่ข่มมืดได้ <c oughs> เราเพียงมีไม่ขีดไฟหรือเทียนขึ้นมาก็าตาม จุดไม่ขีดไฟออกไปโคมมืดมันหายไปเองอันนี้ก็เหมือนกันแต่เราทําคมรู้สึกอยู่อย่างนี้เมื่อเราทําคมรู้สึกอยู่อย่างนี้โคมโกรธวคมโลภโคมหลงมันก็ไม่ได้มีอยู่แล้วที่มันโกรธมันโลภขึ้นภายในจิตใจนั้นเนียกว่าเราไม่ไม่ตื่นตัวคือเราไม่เห็นไม่เข้าใจนั่นเอง ดังนั้นที่อาตมานำมาซีแฉงเลื่อนนั้มาแนะแน่วิธีปฏิบัติให้นี้อันนี้แบบนี้ปฏิบัติง่ายๆปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าจริงๆเรื่องนี้เมื่อพูดถึงว่าการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วคนอื่นนั้นทำพุทโธหรืออ拉หังหองยุบนับหนึ่งสองสามนั้นถูกไหม เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไหมอันนั้นไม่ต้องไปสนใจมันใครจะพูดอย่างไรก็าตามไม่ต้องไปสนใจมันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็าตามไม่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็าตามแต่อัตมาไม่ได้เอามาพูดเรื่องนั้นเพราะเราทุกคนต้องการความจริงอะไรก็าตามถ้าหากว่ามันทําลายความหลงผิดได้อันนั้นแหละถูกต้อง ที่อาตมาพูดนี้อาตมารับรองได้รับรองได้จริงๆทําไมว่ารับรองได้เพราะอาตมาแต่ก่อนก็เคยโกธเหมือนกันเมื่ออาตมามาทําอย่างนี้อาตมาข่มโกธมันไม่ได้มีเพราะอาตมาเห็นข่มโกธไม่มีอย่างที่ญาติโยมและท่านทั้งหลายนั่งฟังอาตมาพูดนี้ในขณะนี้ อาตมาเข้าใจว่าทุกคนไม่มีโกรธใช่ไหมเดี๋ยวนี้นในขณะนี้ไม่มีโกรธใช่ไหมเม mm hmm. ื่อัวไม่มีโกรธนี่เราจะไปหาความโกรธทําไมเพราะโกรธมันไม่ได้มีอยู่แล้วนี่ละบัดนี่อาจารย์ทั่วไปสอนให้เราไปละความโกรธได้ไปหาความโกรธมันไปหาของไม่มีมันก็ไม่เห็นเมื่อไม่เห็นเราก็ไปว่าทําบุญให้ทางรักษาศีลใจก่อน ให้เป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยต่อหลังจากการตายแล้วอันนั้นแปลว่าคนไม่รู้จริงคนคาดคิดดนเดาเอาเองแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นอนดีตที่ผ่านไปแล้วมันจะทำอะไรให้เราไม่ได้ท่านสอนอย่างนี้อนานะคตที่ยังไม่มาถึงมันจะมาทำอะไรให้เราไม่ได้ มันจะทําให้เราได้ตั้งแต่ในขณะ น, นี้ในปัจจุบันนี้เองภาคเรียนจึงสอนเรื่องปัจจุบันเท่านั้นเรื่องอดีตอนาคตนั้นมันไม่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่เราไปเข้าใจว่าเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าใครพูดอยู่ที่ไหนก็หาว่าพระพุทธเจ้าแสดงสอนอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเป็นการเราพาดคิดเอาเราไม่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ที่อาตมาพูดนี้อาตมารับรองรับรองคำสอนของพระพุทธเจ้าและรับรองวิธีที่อาตมาพูดนี้รับรองจริงๆถ้าพวกท่านทาจริงๆแล้ทำให้มันติดต่อกันเหมือนลูกโซ่หรือเหมือนนาฬิกาที่มันหมุนอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ว่าทำอย่างนี้ให้มันเหมือนลูกโซ่หมุนอยู่เหมือนกับนาฬิกานี่มาให้ไปทำการทำงานอื่นใดทั้งหมดให้ทาความรู้สึก ทำจังหวะเดินจมกรมอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเนไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าให้ทำอยู่ตลอดเวลานั้นเราทำความรู้สึกซักผ้าซักเสื้อถูบ้านกวาดบ้านล้างถ้วยล้างจานเขียนหนังสือหรือซื้อขายก็ได้เพียงเรามีความรู้สึกเท่านั้นเองแต่ความรู้สึกอันนี้แหละมันจะสดสะสมเอาไว้ทีละเล็กทีละน้อย เหมือนกับเราที่มีขันหรือมีโอ่งน้าหรือมีอะไรก็ตามที่มันดีที่รองรับมันดีฝนตกลงมาตกทีละนิดทีละนิดเม็ดฝนเม็ดน้อยๆตกลงนานๆแต่มันเก็บไม้ดีน้าก็เลยเต็มโอง่งเต็มขันขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันเราทำคมรู้สึกยกเท้าไปยกเท้ามายกมือไปยกมือมา เรานอนกำมือเหยียดมือทำอยู่อย่างนั้นหลับแล้วก็แล้วไปเมื่อนอนตื่นขึ้นมาแล้วก็ทำไปหลับแล้วก็แล้วไปท่านสอนอย่างนี้เรยกว่าทำบ่อยๆ อ, อันนี้แหละเป็นการเจริญสติการเจริญแปลว่าทำให้มากอันนี้แหละวิธีที่จะทำลมหลุดพ้นคำว่าหลุดพ้นนั้นมันไม่ได้หลุดพ้นเหมือนที่ว่าเราหนีไป จากเมืองไทยไปอยู่เมืองนอกมันไม่ได้หลุดพ้นอย่างนั้นคือหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับปิงที่มาเกาะเราเราไม่ต้องการไปจับปิงถ้าพูดถึงปิงมีรูไหมรูปิงมาเกาะเรามันจินเลือดเราพอที่ล้วไปจับปิงดึงออกมาปิงมันไม่อยากหลุดจากเรามันติดมันมีสองเรียกว่ามันมีปากสองปากก็ได้แต่ ปากนึงมันดูดกินเราปากนึงมันจับเนื้อเรามันแน่นวันนี้เราดึงออกมามันไม่อยากหลุดถ้ามันหลุดปากนึ่งปากนึงมันติดถ้ามันหลุดปากหนึ่งปากนึงมันติดปิงมันเป็นอย่างนั้นอันนี้เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าอุปาทานท่านสอนอย่างนี้อุปาทานก็เหมือนกับปิงนั่นแหละมันมีความยึดมั่นถือมั่นมันไม่อยากหลุดออกจากเราหรือความโกดความโลภความหลงก่อเช่นเดียวกัน มันไม่อยากหนีแต่ความจริงมันไม่มีอุปทานก็ไม่มีแต่เราสมมุติว่ามันมีวันนี้เราไม่ต้องจับปิงเนี่ยความหลุดพ้นเนี่ยจะมาพูดนี่สมมุติให้ฟังความหลุดพ้นเราต้องมียามาทาเนื้อเราเอาไว้ปิงมันวิ่งเข้ามาเมื่อมาทุกกับกินยาแล้วปิงมันจะหายตัวมันไปเองมันไม่เข้ามาใกล้เพราะมันเป็นเครื่องเป็นยาพิษเป็นสิ่งที่แสลงกับตัวมัน ถ้ามันมาเกาะเราแบบ น, นี้ถ้าไม่มียาแตสมมุติเป็นยาเหมือนกันเอาปูนกับยาเส้นธรรมดาพื้นบ้านของเรานี้ไปสุปน้ําเราไม่ต้องจับปิงเพียงน้ํายากับปูนเนี่แหละมันได้เนื้อกันแล้วเอาน้ํายากับปูเอายากับปูมาบีบใส่น้ํายากับน้ําปูนไว้เปทึกเนื้อปิงปิงมันตกใจมันรุด ไ, ไปคนเดียวมันเพราะมันเป็นยาสแสลงอันควรรู้สึกนี่ก็เหมือนกัน มันจะไปไล่ข่มหลงขวมไม่รู้คือโทสะโมหะโลภออกไปหรือขวมยึดมั่นถือมั่นออกไปอันนี้ปแปลว่าข่มหลุดพ้นบัดนี้คำว่าพระอรหันต์พระอรหันต์ก็หมายถึงการเห็นแจ้งไม่แตจะไปเห็นเสือหรือผีเทวดานรกสวรรค์หรือใต้ดินลงไป นึ่ไปเห็นคนเขาหมุนสลากกินแบ่งหรือสลากกินรวบนี่ยมันไม่ได้ไปเห็นไปอย่างนั้นอันนั้นพระอหรหันต์นอกแนวอันนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าพระอหรหันต์นอกแนวมาวันนี้ก็เหมือนกันมีคนพูดให้ฟังแต่ไม่ต้องพูดคนนั้นคนนี้แหละมีพระองค์หนึ่งที่เป็นผู้เสี่ยวสารมองเห็นคนพูดอยู่ที่ไหนก็รู้ อันนี้ในฐานะที่จะพูดนี่ก็เหมือนกันคนไทยทั้งศาสตรแต่คนดีๆนี่แหละทําให้คนดีนี่ซัวเลวร้ายไปมีมากที่สุดคนไทยเป็นคนดีแต่คนผู้ที่ดีนั่นแหละทําให้คนดีนั่นเป็นการเลวร้ายหลงผิดคิดผิดทําผิดไปมันเป็นอย่างนั้นมีมากที่สุดแต่พวกเราถึงจะน้อยคนก็ตาม อย่าไปเข้าใจอย่างนั้นคนที่ดีเสาะแสแะแสะแวงหาคนที่กำลังทำผิดพูดชั่วทำชั่วคิดชั่วพยายามพูดให้คนทำชั่วพูดชั่วเป็นคนมีสติปัญญามีน้อยขดแทบจะไม่มีเสียเลยนี่มันเป็นอย่างไรเรื่องนี้เราควรแก้ไขปัญหา เมื่อคิดถึงเรื่องนี้อาตมาภูมิใจอย่างที่อาตมามานี่มาที่สวนยางบ้านคลองเรียนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในคราวนี้ที่อาตมามาพูดคืนนี้อยู่ที่จังหวัดสงขลาบ้านอะไรอาตมาไม่ทราบมีโยมมาฟังที่อาตมาพูดถามดูแลมีกี่คนวันนี้ ประมาณอย่างน้อยไม่ไ ม, ไม่หลุดสามสิบคนถ้ายังมากก็พันเจ็ดเจคนว่าอย่า ง, ากก 7, 7างไรแต่เมื่อคิดถึงขาวเมื่อพระพุทธเจ้าตัดสรู้ใหม่ๆไปแสดงธรรมให้พวกปัญจวคีทังห้าฟังมีห้าคนบัด น, นี้อาตมาเพียงเป็นลูกศิษย์ตายแถวเพราะพระพุทธเจ้าพระริปนิพานไปได้นานปีแล้วมีคนมาฟังขนาดสามสิบคน เมื่อคืนที่ล่วงมาแล้วเนี่ยอาตมาก็นึกว่าเราได้ทำงานแทนพระพุทธเจ้าวันนี้อาตมาก็มาที่สวนยางบ้านของเรียนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่นี่ก็มีคนมาฟังที่อาตมาพูดอยู่นี่ในขณะนี้เลยประมาณกี่คนเเ <Yes. S 1> ท่าไหร่ <Yes. S 1> 17เจสิบเจ็ดคน มันดีมากก็พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าห้าคนฟังอาตมาเป็นลูกศิษย์ปลายแถวมีเพียงสิบเจ็ดคนฟังเนี่ยถ้าหากสิบเจ็ดคนนี่แหละฟังแล้วเข้าใจทำความทราบซึ่งกับตัวเองแก้ปัญหาซึ่งหน้าตัวเองได้สิบเจ็ดคนนี้ทำแทนเหมือน ก, นกันกับที่สมัยพระพุทธเจ้าห้าคนช่วยกันเผยแพร่ คำสอนทางพนทุกนี้จนระบาดมาถึงเมืองไทยทําในประเทศอินเดียจนแพร่หลายเข้ามาในเมืองไทยบัดนี้เราคนไทยจํานวนสิบเจ็ดคนลองทำํำบางอย่างที่อาจามาพูดนี่เรามีเพื่อนพูดในครอบครัวของเราครอบครัวของเราไม่มีทุกข์อันนี้แหละเรื่องพระอราหันต์พระอราหันต์ก็หมายถึงเห็นต้นเหตุกาเนิดที่เกิดของความคิด ความคิดนี้อันตัวความคิดจะมีอยู่สองประเภทคือมันคิดวูบขึ้นมาเราเห็นเรารู้อันตัวมันคิดวูบขึ้นมานี่แหละมันมาสอนเราให้เราเห็นให้เรารู้เมื่อเราทำกรมคุ้นเคยเราเห็นเรารู้เราเข้าใจอยู่อย่างนี้มันคิดขึ้นมามีคนนั้นมายกยอเราหรือมาตำหนิเราความคิดมันจะวุบทันที เมื่อมันวุบขึ้นมาเราจะเห็นจะรู้ตัวเห็นตัวรู้ตัวเข้าใจอันนี้เรียกว่าสติมันจะไปสกัดเมื่อ <c oughs> มันสกัดแล้วโคมโกรธข่มโลภว่มหลงไม่มีข่ม โ, โกรธข่มโลภข่มหลงไม่มีอันนี้ถ้าพูดตามภาษาเราเรียกว่าเป็นพระอรหันต์พระอรหันต์ก็หมายถึงเห็นอันนี้ ไม่ได้ไปเห็นว่าคนอยู่ที่นั้นมันทำอย่างนั้นหรือเขาจะหมูนสลากกินแบ่งวันนี้ไปเห็นว่ามันจะไปออกเลขตัวนั้นตัวนั้นนั้นมันเรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องนั้นนี่ว่าคนมีกิเลสกิเลสและอันนั้นที่มันมันคิดไปอย่างนั้นคนได้สอนอย่างนั้นพูดอย่างนั้นอันนั้นไม่ใช่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า คนนั้นไม่ใช่มาสอนหลักคําสอนของพระพุทธเจ้ า, าพระพุทธเจ้าสอนให้คนทุกคนพ้นไปจากความหลงผิดและบัด น, นี้บ้านเมืองของเราทุกวันนี้คนสอนกันเรื่องนี้มีมากเมื่อเราเป็นหลงผิดอย่างนั้นคนไทยก็ล่มจมไปทุกทีทุกวันอันนี้เดี๋ยที่อาตมาพูด่ะคนดีๆคนที่สอนอย่างน่ากว่าคนดีๆ แล้วก็ไปสอนคนที่ดีๆเนะี่ยเขาไม่เข้าใจเขาไปถามก็ยังไปสอนให้คนเรานั่นงโง่ไปนี่บอกคนดีสอนให้คนดีเมืองไทยนี้เป็นจํำนวนมากเป็นคนหลงผิดไปมากที่สุดแล้วคนที่สอนแบบนี้นะไม่ใช่เป็นคนที่ไม่รู้นะคนที่มีความรู้เป็นหลักธรรมะคนที่มีปัญญาพอสมควรหรือถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาก็เหลยอมีที่คนเคารพนับถือนั่นแหละ จึงไปสอนอย่างนั้นถ้าเราคิดถึงคําสอนของพระเจ้าจริงๆแล้วพวกนี้แหละทําลายคําสอนของพระพุทเจ้าโดยไม่รู้สึกตัวพระพุทเจ้าท่านสอนเอาไว้แล้วอะทําเราใดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนั้นทําเหล่านั้นไม่เป็นคําสอนของพระพุทเจ้าท่านสอนอย่างทําเราใดเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นนั้น นั่นแหละเป็นธรรมนั่นแหละเป็นวินยัยนั่นแหละเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้อย่างนี้เนี่ยขอย้ำอีกทักหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้คำนี้ทุกคนควรสํานึกเอาให้ดีาจะเป็นพิกษูก็าตามเป็นฆราวาสญาติญโญก็าตามคนใดเ ห, นเห็นแต่ประโยชน์คนอื่นจะเป็นพิกษูสมณเณรก็าตามคนใด เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวคนใดเห็นแต่ประโยชน์คนอื่นไม่ได้เห็นประโยชน์ส่วนตัวคือไม่ทำนั่นเองคือไปสอนแต่คนอื่นไม่สอนตัวเองคนนั้นไม่ใด่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจะเป็นพระเป็นเองก็ตามคนใดสอนแต่ตัวเองไม่สอนคนอื่นอันนั้นก็ไม่ใด่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าท่านสคนใดสอนตัวเองและนําไปสอนคนอื่นให้คนอื่นรู้นํา เห็นนําเข้าใจนําและตัวเองก็ต้องทำอย่างนั้นและก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นอันนั้นแหละเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้เมื่อพูดถึงตอนนี้อาตมาอยากแนะนําอย่างหนึ่งเพราะว่านานๆจึงได้มาที่นี้อาตมาอายุในในลาวนี้อายุเจ็ดสิบกว่าปีแล้วไม่เคยได้มาบ้านสวนอย่างนี้ไม่เคยได้มาไม่เคยรู้สีกด้วยที่อาตมามาพูดนี่อาตมาอยากขอ พี่แกงและพูดให้ฟังจริงๆในสมัยพระพุทธเจ้ามีอยู่ตั้งแต่ดึกดําบรรนะตอนนี้มีคนกลุ่มหนึ่งประกาศศาสนาแสดงตนเป็นศาสดาแสดงตนเป็นผู้รู้เพราะว่าการประชุมสงฆ์นั้นคนนั้นไปฟังอาจารย์คนนั้นคนนี้ไปฟังอาจารย์คนนี้ ม้ลูกศิษย์หลายคนพ่ะ อ, อาจารย์หลายคนก็เลยมาพูดกันไออาจารย์นั้นสอนอย่างนั้นอาจารย์นี้สอนอย่างนี้ก็ไม่รู้ทิศทางเลยใครผิดใครถูกไม่รู้เลยคนจนํานวนนั้นก็เลยลงมัดตีกันเขาเอาถ้าอย่างนั้นเราจะทําอย่างไรจึงจะได้พบเอาบุคคลสําคัญหรือสัตตะบุรุษผู้ที่มีความรู้จรงิจรงๆว่าอย่างนั้นก็ได้อย่างพวกคุณนี่แหละลงมัดตีกันเอาสมมุตินะ วันนี้เป็นวันที่สิบเอ็ดอย่างนี้ก็ได้วันที่สิบวันนี้ น, ะนัดประชุมกันเลยให้มารวมกันที่สวนยางบ้านสวนยางเนี่ยเนี่ยนักนิมนต์อาจารย์ของท่านมาทุกคนอาจารย์ของคนใดก็ต้องให้เอากันมาให้หมดเลยนัดกันเวลาสองบวงซาตตามหรือสาบวงซาตตมมาบัรนี้ก็มีประธานคนหนึ่ง จะเป็นใครก็ตามเนี่ยจตมากก็ไม่นราบเนี่ทีนี้ไม่รู้จักไข่ทั้งหมดเลยอาจมาไม่รู้ซื้อไข่เอคุณซื้ออะไรละเสริมละเสรละศีลนะอย่างที่คุณละศีล น, นี่แหลวะวะท่านอจาจารย์ผู้ตลาดแสดงตนเป็นประกาศน์ในขณะนี้นนนนนเนี่ยคำสอนของท่านนั้นเน่ยท่านรับรองคําสอนของท่าน่ะจริงหรือสอนจริงหรือและมาสอน สนด้วยความเมตตาจริงหรือหรือว่าสอนด้วยความเห็นแก่ตัวถ้าศาสดาใดสอนด้วยความเมตตาปาณีและคนที่สอนนั้นแหละก็ต้องทําอย่างนั้นท่านรู้จริงมาหรือถ้าท่านรู้จริงรับรองคําสอนของท่านจริงจรงแล้วแล้ท่านก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยด้วยการเห็นแจ้งด้วยความเมตตาแล้วต้องนั่งเงียบเงียบไว้อย่าง ถ้าศาลาองค์ใด ย, ยังสอนผมด้วยความเห็นแก่ตัวาฉหรือว่าที่ท่านก็ยังไม่รู้แจ้งไม่เห็นจริงนั้นก็ดีมนลุกหนีจากศาลาหรือหรือบริเวณบ้านสวนย่างนี้เองอย่าอยู่ที่นี่นั่นท่านท่านว่าอย่างนั้นคนยุคนั้นแหละพูดกันคนที่รับรองคําพูดตัวเองไม่ได้และตัวเองก็ยังไม่เคยรู้อย่างนั้นก็เลยหนีไปหนีไ ป, ไปด้วยความโศนเสียว ก็ไม่พอใจองใดที่ยังใจหนักแน่นหรือพอสมควรนี่ว่าทําที่ไม่รู้ไม่ซีแต่ไม่รู้ก็ทําใจหนักแน่นคือใจที่ว่าไม่รอนรนปันใดนะั้นคนนั่งอยู่ที่นั้นวันนี้เห็นนั่งอยู่ที่นั่นกันมันก็น ม, นมีคนมากเพราะมันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างที่เมืองไทยที่ครูบาอาจารย์สอนกันอยู่ทุกวันนี้แหละเคยได้ยิน ไ, ไม่เรื่องอย่างนี้ ที่ที่เรื่องอาจามาพูดนี่ไม่เคยได้ยินเอาวันนี้ต้องฟังกันให้ดีวันนี้ภิกษุจานวนนั้นก็ยังแสดงตัวเป็นผู้รู้อยู่เหมือนเดิมที่คนนี้ไปแล้วก็หมดหายไปและวันนี้อย่างที่คุณพูดนี่ท่านอาจารย์หรือพระาศาสดาที่นั่งอยู่ที่นี้นั่งเงียบเงียบแต่อาจารย์องค์ใดศาสดาองค์ใดนั้นสอนเก้ากับผมด้วยความเมตตา เพื่อควงบุจพ้นและท่านก็จะต้องต้องปฏิบัติอย่างนั้นรู้จริงมาแล้วรับรองจริงๆริงหรือคําสอนของท่านไม่พลาดผิดจริงๆหรืหอถ้าหากศาสด า, า, าองค์ใดรับรองได้อย่างนั้นโกนิมนนั่งเงียบเงียบถ้าองค์ใดยังรับรองคําสอนของท่านไม่ได้แต่ท่านยังไม่เคยได้สัมผัสอย่างนั้นแล้วไม่เป็ น, นจริงแล้วก็ น, น, นิมนต์หนีจากทีนี้ยังมากินข้าวผมให้มันหมดมัน เบืองไปอย่างนั้นศาสดาเราทุกคนะนนี้ไปด้วยความตื่นเต้นความไม่พอใจแล่ะคึกคักไปไปอย่างนั้นแต่องค์ใดยังหนักแน่นก่อนั่งอยู่เงียบๆอย่างนั้นพูดอะไรทั้งสองหนสามหนพูดอย่างนั้นเนี่ยแล้วองค์เทศหนักแน่นใจเย็นก็ยังมีเพราะมันยังยังมีนึกว่าถ้าไม่หนีมาทุกคนก็จะไม่ห น, นีอยากเป็นอย่ากเป็นอย่างนั้นอนะ่ะแต่จิตใจคนมันพูดมันหนักแน่น บัดนี้ก็เอากันทีเดียวนะบัดนี้ไม่ต้องพูดมากนะสามสี่ครั้งท่านพูดเรื่องนี้มันเป็นเรื่องประลําประลามีพระจําจนวนร้อยคนครั้งที่แรกออกไปซะจํานวนสิบคนเหลืออยู่เก้าสิบครั้งที่สองออกไปซะสามสิบคนแล้วก็เหลือน้อยเขาแล้วออกไปครั้งที่สามเนี่ยออกไปครั้งที่สี่นี่ออกไปทั้ง<ม>เหลือองค์เดียวอย่าง กาบที่พูดนี้ก่อนวันนี้อาตมาก็จะนํามาแสดงขว่มบริสุทธิ์ให้ฟังท่านอาจารย์ผู้แสดงตนเป็นพระศาสดาผู้บริสุทธิ์จริงๆแล้วนั้นที่มาสอนเก้ากับผมเนี่ยคําสอนของท่านนั้นน่ะบริสุทธิ์จริงหรือไม่มีความสกปรกจริงหรือและท่านอาจารย์ก็ทําอย่างนั้นประจํำหรือ ถ้าองค์ใดสอนก็กับผมด้วยความบริสุทธิ์จริงๆเพื่อความหลุดพ้นจริงๆอย่างที่ญาติโยมต้องการความหลุดพ้นวันนี้เนะี่และคําสอนของท่านนะั่นะถ้าทําอย่างนั้นจะหลุดพ้นจริงๆหรือแล้วผมทําตามท่านจะหลุดพ้นจริงๆหรือไม่ใช่ท่านจะละคดหลุดพ้นคุณเดียวนะแต่ผมจะทําตามท่านจะหลุดพ้นจริงหรือถ้าหากคนใดรับรองอย่างนั้นได้ท่านก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นมาจริง ทำอย่างนั้นจะหลุดพ้นได้จริงๆแล้วผมเนี่ยจํานวนสิบเจ็ดคนเนี่ยจะปฏิบัติกับท่านจะหลุดพ้นอย่างที่ท่านผู้จริงๆริงหถ้าหากว่าทั้งสิบเจ็ดคนเนี่ยสมมุติเอานั้นสมมุติเอ า, เอาปฏิบัติจริงจริงนะถ้าหลุดพ้นแล้วองค์ใดมีความสามารถยืนยันรับรองคําสอนของตัวเองอย่างนั้นและท่านก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นอยู่ตลอดมาเนี่ยันนิมนต์นั่ง เ, เงียบ จำพวกนั้นก็เลยร้อนใจขึ้นเพราะว่าตัวเองยังรับรองไม่ได้คำสอนของตัวเองยังไม่บริสุทธิ์นี่คืาว่าสก ป, กปกภายในก็มันเปียกแสษเนีย่ยคนจะไปเสื้อมันมากเกินไปทุกวันนี้ยังมีเหลืออยู่องค์เดียวหนีไปด้วยกลมสูญเสียวควรไม่พอใจพอดีพระองค์ที่นั่งอยู่นั่น <c oughs> นั่งเสย <c oughs> ๆเงียบๆพวกนั้นหนีไปหมดแล้วยังเหลือองค์เดียวคื อ, อยังพวกท่านเนี่ยก็เลยถามท่านคือใคร ไม่ปากไม่พูดไม่คุยกับใครเลยสมมุติโยมถามท่านคือใครสักหนึนั่งเงียบไม่พูดไม่คุยเลยท่านเป็นผีหรือสักหน่งหัวเงียบท่านเป็นเทวดาหรือหัวเงียบท่านเป็นอะไรท่านเป็นพระพุทธเจ้าหรือหัวเงียบท่านเป็นอะไรไม่เป็นอะไรเป็นคนธรรมดานี่เองเป็นยังไเป็นคนธรรมดานี่เองดังนั้นการตัดสรู้นะคือคนธรรมดานี่เองอย่าไปเสื่อคนที่มาพูดอย่างเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปเสื่ออย่างนั้น ทำไมท่านไม่หนีเออถาอาตมาต้องการจะให้ท่านทั้งสิบเจ็ดคนนี้แหละหลุดพ้นเหมือนอาตมาอาตมารู้และวิธีทําหลุดพ้นถ้าหากพวกท่านทั้งสิบเจ็ดคนนี่สมมุติหน้านี้จานวนนั่นมันเป็นพันๆเนี่ยแต่ไม่ใช่สิบเจดคนเท่านี้แต่อาตมาพูดนี่สมมตุติถ้าหากพวกท่านตั้งใจปฏิบัติจริงๆแล้วอาตมารับรองตายกับพวกท่านพวกท่านตายก็จะตายด้วย พวกท่านมีซิลิส ก, ก็จะมีศิลิสอยู่ด้วยรับรองว่าพวกท่านสิบจิตคนนี้ปฏิบัติอย่างที่อาตมาพูดนี่ต้องหลุดพ้นอย่างที่อาตมาอาตมาหลุดพ้นแล้วพวกท่านก็หลุดพ้นได้เมื่ออาตมาไม่หลุดพ้นอตาตมาก็สอนพวกท่านหลุดพ้นไม่ได้ท่านเหล่านั่งก็เลยสาธุกันเราเราได้พบแล้วกับกลมลุนแต่ยังไม่ทันได้ปฏิบตัติก็แตลว่าสาธุเราได้พบเราได้เห็นแล้วกับวิธีทางที่จะทำกลมหลุดพ้น อันนี้ก็เหมือนกันอยากเข้าใจว่าหลุดพ้นต้องเหาะไปเหมือนนกได้มันไม่เข้าท่าอันน่นี้คำว่าหลุดพ้นนี่ก็หมายถึงหลุดพ้นไปจากขุมเป็นทุกนั่นเองหลุดพ้นไปจากโทสะโมหะโลภหลุดพ้นไปจากขุมยึดมัน่นถือมัน่นนี่เองไม่ใช่หลุดพ้นจากอื่นไกลอันนี้แหละอาตมาจึงกล้ายืนยันรับรองคําสอนของพระพุทธเจ้าได้กผู้หญิงก็ปฏิบัติได้อาตมาเคยพูด อเคยกล่าวกันเรื่อย อ, อย่างนี้ผู้ชายก็ปฏิบัติได้เด็กก็ปฏิบัติได้แต่ไม่ใช่เด็กอายุสองปีสามปีไม่ใช่อย่างเด็กอายุกันในเกณฑ์สิบปีขึ้นไปอาตมาเคยสอนเด็กอายุเก้าปีถึงสิบเอ็ดปีอาตมาเคยสอนในสมัยหนึ่งมีเด็กเด็กที่เรียนหนังสือบางคนขงเขาขี้เกียจขี้ค้านเรียนเด็กเด็กเนี่ยที่คนจังหวัดสญญภูนจังหวัดสญญภูนไปอยูอ่กับอาตมา อายุเก้าปีถึงสิบอปีติดตามไปอยู่กับอาตมาพรา่อเขาอาตมาไปพูดที่บ้านเขาเด็กน้อยมันไม่อยากเรียนหนังสือเด็กบ้านนอกมันไม่สนใจพ่อแม่ก็ดูก็เลยพ่อแม่ก็ฝากอาตมาไปอยู่ที่จังหวัดเลยอาตมาไปสอนเขาเด็กนี่ยิ่งรู้เลวกว่าคนแก่เพราะมันไม่มีอารมณ์สอนมันเดินจมกลมสอนมันสร้างจังหวะเด็กอายุเก้าปีเนี่ยไม่ถึงสาสิบวัน เด็กอายุ11ปีนี่มีอยู่สองคนได้29วันยังรู้เด็กอายุเกปีนี้ดูมัน18วันหรือ21วันเนี่ยรู้เหมือนกันดังนั้นอาตมาพูดนี้จึงไม่ได้จํากัดจะเป็นคนซาต์ใดภาษาใดถือาศาสนาไหนก็ตามอาตมาไม่ได้พูดว่าถือาศาสนาคิดปฏิบัติไม่ได้ถือาศาสนาอิสลามปฏิบัติไม่ได้ อาตมาไม่ได้พูดอย่างนั้จะถือศาสนาผีก็ตามเนะี่อาตมากล้าได้อย่างสินั้นนั่นความหลุดพ้นมันมีอยู่แล้วทุกคนมันไม่มีผู้ชี้ลงมาเท่านั้นเองนี่อันนี้เลยว่าบุญแท้บุญก็คือว่าความหลุดพ้นนั่นแหละกุศลกับเปรตสลาดวิธีทําความหลุดพ้นนั่นแหละไม่ใช่ว่าทําบุญเอาเงินไปถวายพระไปจํานวนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นบุญอันนั้ก็เป็นบุญ บุญอันนั้นมันเหมือนกันกันกบที่ว่าน้ําแข็งทําแล้วก็สบายใจส่วคู่ส่วขาวเท่านั้นแหละน้ําแข็งเนี่ยมันเป็นก้อนใหญ่ๆเบอ้อเลอ่ก็ตามเอาไปตากแดดตากลมให้มันเปื่อยล่าลายเป็นน้ําเหมือนเดิมมันเป็นวิทยาศาสตร์เท่านั้นอันนี้ลราเอาเงินไปทานไปสร้างถนนหนทางไปสร้างอะไรก็ตามและสร้างศาลาการปรเรียนไม่ที่สุดเอาไปสร้างโบสถ์ สร้างภพภูมิมันก็ดีใจสั่วข่ า, ขาวนานๆมันก็หายไปคมดีใจความโกรธความโลภ ก, ก็มีขึ้นมาอันนั้นแหละเมืองกับำลําแข็งที่อาตมาพูดนี้บัด น, นี้เมื่อเราทํำคมดุพจนเนี่ยเอาเงินไปทานก็ได้ทานน้อยก็สบายใจทานมากก็สบายใจไม่ใช่ทานเอาบุญเอาให้เพื่อควงคนไม่มีเนี่ยไม่ใช่หวังเอา อันนี้แหละจีบข่มหลุดพ้นคือไม away, salud, ่เ an no no okay. อาอะไรทั้งหมดไม่เอาทั้งบุญและไม่เอาทั้งบาปคันท่านเราเอาบุญเมันงคนดีก็เอาบาปนั่นแหละมันดีเท่านั้นแต่คนไม่รู้จึงมันไม่หลุดพ้นยังหวังเอาบุญอยู่เนี่ยคําว่าข่มหลุดพ้นน่ะไม่ต้องเอาทั้งบุญไม่ต้องเอาทั้งบาปไม่ต้องเอาทั้งดีและไม่ต้องเอาทั้งชั่วไม่เอาอะไรทั้งหมดอนนี้เขาบอกข่มหลุดพ้นให้เราเข้าใจอย่างนี้ หรือว่าที่พูดในจะเข้าใจก็ตามไม่เข้าใจก็ตามและที่อาตมาขูมเข้าใจอาตมาพูดอย่างนี้ถ้าเรายัางหวังจะเอาบุญอย่างมันไม่ใด่หลุดพ้นเราเราต้องการบุญมันจะหลุดพ้นทําไมมันก็เหมือนเรามือเราติดอันนี้ท่านว่าอุปาทานอุปาทานที่เราขูมยึดมั่นถือมั่นในการทําดีของเรานั่นแหละท่านสอนอย่างนั้นดังนั้นขอให้เราทุกคนเข้าใจคําว่าขูามหลุดพ้นเนี่ยไม่ต้องเอาบุญและไม่ต้องเอาดีไม่ต้องเอาชั่ว ทำบุญก็ทําไปอย่างนั้นแหละไม่ใช่ทําบุญทำเสรยเสรยทําทําทําไปอย่างนั้นเดียว่าให้คนไม่มีวันนั้นก็นได้อันนี้แรีวกข่มหลุดพ้นเดี๋ยวนี้นี่จิตใจพวกท่านบน่น้ถามถามข่มจริงนะนเดี๋ยวนี้จิตใจคิดอยากได้อยากได้อะไรหรือหรือมันเป็นยังไงจิตใจเดี๋ยวนี้เนี่ยไ ม, ไม่อยากได้เลยเสยเสยอยู่ใช่ไหมเสยเสร ย, ยอันนี้เรียกข่มลุดพ้นจะไปหาที่ไหนมันมีอยู่แล้วเราไม่เข้าใจ คือเราไม่จุดตะเกียงนั่นเองคือเราไม่เคยดูตัวชีวิตของเราอันนี้แหละท่านว่าคมหลุดพ้นมันมีอยู่แล้วเราก็เลยไปหาคมหลุดพ้นมันก็เลยไม่เห็นคมหลุดพ้นและวันนี้เราไปทํากรรมฐ า, านก็เหมือนกันเราอยากได้คมสงบแต่ควมสงบมันมีอยู่แล้วแล้วไปทําให้มันไม่สงบขึ้นมามันก็เลยมันมาได้คมสงบเนี่ยอันนี้เราเข้าใจคมสงบมันไม่ถูกต้องดังนั้นที่อาตมานํามาเล่าให้ฟังเนี่ยพูดด้วยความจริงใจเราไม่ต้องไปหาอะไร พระพุทธเจ้าท่านาก็สอนอย่างนี้ว่ามันมีแล้วมีมาก่อนพระพุทธเจ้าเทศธรรมอันทําให้พระพุทธเจ้าเป็น พ, นพาระอรหันนั่นน่ะทําให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้ามันมีก่อนพระพุทธเจ้าคือตัวที่มันจิตใจเป็นปกติอยู่เดี่ยวนี้นี่แหละมันเป็นอย่างนี้ท่านเรี ย, ยกว่าอภิญักตารรมาคือมันไม่ดีมันไม่ชัว่วมันเหนือดีมันเหนือชั่วอันนี้เป็นสมบัติของมนุษย์หรือเป็นสมบัติของพระอริยบุคคล และผู้หญิงก็เป็นพระนิยมบุคคลได้ผู้ชายก็เป็นพระนิยมบุคคลได้ถือศาสนาไหนก็เป็นพระนิยมบุคคลได้พระแปลว่าผู้ประเสริฐวะท่านอันนี้แหละจิตใจประเสริฐแล้วทําให้มันไม่ได้มันไปนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาอันจิตว่งว่างจิตไม่ดีไม่ชั่วเนี่ยมันเป็นลูกตุ้มมันเป็นลูกตุ้มมันเป็นเบรกรถหรือมันเป็นสมอที่เกาะเรือเอาไว้เนี่ยถ้าพูดอย่างนี้ ถ้าเมื่อจิตใจเราคิดวูบอยากโกรธขึ้นมาทันทีอันจิตอุเปขาอเนี้มันก็ท่วงไว้ไม่ให้มันโกรธเร็วถ้ามันโกรธเร็วมันซกตายทันทีเลยเนี่ยจึงว่าคุณค่าของนิพพานมันมีอยู่แล้วมันทั่วไม่คนตายเร็วคือนิพพานนี่เองมันนี่คนมันเกิดโลภจัดขึ้นมาบ่นอันจิตอุเปขาจิตที่เป็นลูกตุ้มอันนี้แหละมันเป็นเหมือนกับเบรกรถหรือมันเป็นเหมือนกับที่ลูกตุ้ม หมือมันเป็นเหมือนกับสมอที่เกาะเลือใบเครื่องมันเสียมันจะไหลไปล่มไปจมไปสนก้อนสนอะไรก็ไม่ทราบแลวฉะนั้นจิตที่เป็นนิพพานจิตที่เป็นอุเปขาเนี่ยจิตของพระอาหารหันเนี่ยมันพ่วงไว้ไม่ให้มันโลภจัดฉะนั้น น, นว่าจิตนิพพานนี่มันมีอยู่ทุกคนคุณค่าของนิพพานเยอะมันอยู่กับที่บุคคลมีปัญญา มันใช่ไม่อยู่กับจิตใจของบุคคลที่คนไม่มีปัญญาดังนั้นคนที่มีปัญญาเนี่ยสามารถจะเอานิพ v a ไปใส้กับชีวิตของเราหนูหนูฟังให้เป็นะเอานิพาน n ไปใส้กับชีวิตของเราหนะหนูต้องการ n ิพพานไปใส่กับชีวิตไนะหมต้องการนะเนี่ยอันนิพา a n นี่แปลว่ามันไม่มีทุกข์ทาโดยไม่มีทุกข์ไปเรียนหนังสือไปเรียนโดยไม่มีทุกข์ ที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นบิดามารดาทําการทํางานหน้าที่ของเราโดยไม่มีทุกข์อันนี้เลยว่าทําไปด้วยนิพพานเนี่ยนิพพานนะเนี่ยแปลว่าเป็นพระอหรหันต์พระอหรหันต์ไม่ใช่เหาะไปอย่างที่เขาพูดกันนั้นคันถ้าใครเป็นพระอหรหันต์แล้วว่าเหาะได้เนี่ยอันนั้นมันเข้าใจคนมันน้าหนักตั้งห้าสิบหกสิบกิโลมันไม่ใช่เป็นเครื่องคือนกนี่ภาษาคนมันต้องเดินไปมันไม่ใช่เป็นแนวเหาะเนี่ยมันเข้าใจอย่างนั้น คนเข้าใจว่ า, าพระพุทธเจ้าต้องมีที่ที่เหาะไปพวกเรามีปัญญาก็ลองคิดดูพระพุทธเจ้าตัดสู่ได้ไม่กี่วันวนะหกวันหรือเจ็ดวันเดินออกมาเดินด้วยเท้านี่เองถ้าเหาะยังไม่เหาะไปจะไปปวดกับพวกปัญจวัคคีทั้งหเดินมาเดินไปด้วยเท้าอย่างที่เราเดินนี่แหละมีนักบวชคนหนึ่งเป็นผู้สแสวงหาธรรมะซื้อว่าอุปกาสีวกไว ก็เลยไปเห็นพระพุทธเจ้าก็ถามพระพุทธเจ้าเลยหน้ายืดแย้มแจ่มใสหน้าคารพหน้ากราบหน้าไหว้เดิน ส, สงบสงี่ยมดีไปดีมาดีหน้าเบิกบานเนี่ยก็เลยถามท่านอยู่สำนักไหนเป็นลูกศิษย์ของใครครูบาอาจารย์ของท่านสอนอย่างไรท่านจึงเป็นผู้อย่างนี้หรือเป็นผู้เช่นนี้พระพุทธยอดกเลยตอบ ตอบตรงๆนี่แหละก็เดินมาไม่ใช่เหาะอังคนว่าเหาะนั่นมันเข้าใจอีกเรื่องหนึ่งถ้าเหาะมาก็ยังมาเหาะให้อุปการะวซบาคคนนั้นเห็นทําไมเดินมาทําไมอันนี้เราเราไม่เข้าใจาเลยตอบอุปการะเซบาท่านไม่ได้เป็นเอ่อเราไม่ได้เป็นลูกติ์ของไครเราไม่ได้ไปอยู่สำหนักไหนไม่มีใครเป็นครูบาอาจารย์ของเราเราลู่เองเห็นเองเข้าใจเองโดยชอบ อุปการศิวโกนั่นก็เลยแลบด้ก็สวนทางไปคนเราก็เหมือนกันพูดความจริงให้ฟังเนี่ยไม่ยอมเอาคันลอกแล้วมันเสื้อทันทีนี่ยเป็นอย่างนั้นเหมือนกับคนที่ไปเสื้อแลว้วพระองค์นั้นบอกเลขเก่งนะเนี่ยหัวถลัยเข้าไปแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยเป็นอย่างนั้นไม่ได้กรสาทุเอาเลยไปทําบุญกับอยากได้เลขเนี่ยเป็นอย่างนั้นอาตมาไปวันนี้กับใครเนี่ยวันนี้เขาลืมแล้ว ไปมีผู้หญิงสองคนหรือสามคนไปเดินที่พระอะไรเนี่ยที่ที่จังที่หัดใหญ่นี้เนี่ยวันนี้เดินไปวันนี้ไม่ใช่เดินนะเอารถไปใครไปด้วยกันแต่จำกจำไม่ได้เนี่ยเนี่ยควกนี้แหละไป<อ>ก็มีผู้หญิงสามคนมาทมําบุญที่นั่นก็อยากได้เลขนีย<อ>มีเงินมาก่ก็ถามว่ามีที่ดินเป็นเจ้าของที่ดินมีเงินเป็นหลายก็ยังอยากได้เลขอยู่เนี่ยทําบุญอยากได้เลข ทำบุญอยากยากรวยเนี่ยอันนั้นเขาว่าทำบุญเอาเพื่อกิเลสไม่ใช่ทําบุญเอาเพื่อเหมือนกิเลสไม่ต้องการอยากได้เลขอยากได้ยงินก็ไม่ทําบุญอันนั้นเขาว่าเข้าใจผิดอย่าไปคิดอย่างนั้นทําบุญไม่ทั้งทาอย่างนั้นทําบุญนี่ทํำยังไงก็ได้มันไม่ใช่ทําอย่างที่อาตมาพูดนี้อาตมาพูดเนี่ยให้ทํากลมลื้อสึกตัวทํำกลมเห็นแก้งให้คอยดูจิตดูใจว่าอย่างนั้น มันทําบุญแบบโยมคนนั้นพูดมันทําบุญแบบเอาหน้าเอาตาอยากมีซื่อมีเสียงอันนั้นพระพุทธเจ้าทา่านบอกไม่ใช่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าทําลายความหลงผิดไม่ได้อันนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราทําลายความหลงผิดมันเป็นทุกข์มันเกิดมามันเป็นทุกข์ท่านสอนอย่างนั้นให้รู้จักทุกข์อันอยากได้เงินน่ะเปนอะไรนั่นแหะคนเอื้อนโลภะโลภะมันอยากได้ท่านสอนอย่างนั้น โมหะมันไม่รู้จักพุกนี่ยคนมีเงิน น, น่งนอนไม่หล่ะนอนไม่หลับเพื่ออะไรกลัวผู้ร้ายจะมาซ่อมากงหรือจะมาปุ้นมาจี้เนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นแต่เราเนี่ยให้รู้จักมีเงินเพื่ออะไรมีเงินเพื่อใช้จ่ายทดแทนขันยักเป็นเศรษฐีก็ต้องเป็นเศรษฐีให้เป็นคนนั้นน่ะมีเงินมันมีเงินหลายสิบมีเงินเป็นล้านล้านอันนั้นไม่ใช่เป็นเศรษฐีมีเงินจากแสนล้านเขาไม่เป็นเศรษฐี คำว่าเสษธีไม่ได้หมายอย่างนั้นคือพอกินพอใส่เหลือกินเหลือใซ้ให้คนที่ไม่มีสมมุติเรามีข้าวจากสองจานเรากินเพียงจานเดียวจานเนี้ยมันเราอิ่มแล้วให้คนที่ไม่มีนะักกินไปจากจานนึงอันนี้เขาเรียกว่าเสษฐีเสตฐีคือมีการแบ่งปันคนนั้นบ้างคนนี่บ้างคนที่ไม่มีกินให้เขากินบ้างเล็กๆน้อยๆเราก็กินพอดีเราก็พอแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเสษธี ไม่ใช่ว่ามีเงินร้อยล้านพันล้านจึงเป็นเศรษฐีอันมีเงินร้อยล้านพันล้านเป็นเศรษฐีแบบนั้นเศรษฐีขี้ขี่ขี้ขอเศรษฐีคนจนคว่าอันนี้ก็เหมือนกันนักบวชก็เหมือนกันครับวิปัสนาขี้โกธะกรรมฐ า, านขี้ขอในคำว่ า, ากรรมฐ า, านเดี๋ยวนี้วิปัสนาเดี๋ยวนี้พระกรรมฐานเดี๋ยวเนี้แบกบกดเข้าไปป่าแล้วก็มีโยมไปหาแล้วค่ะเอาแหละหลับตาอยากบอกเลขเขาขอเลยเประเด็นนี่มันเป็นอย่างไง อันนี้เราจะไปเข้าใจอย่างนั้นที่อตมาพูดให้ฟังเนี่ยในสมัยนี้ก็เหมือนกันแสดงตนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในสมัยนั้นก็เหมือนกันเนะเราต้องเลือกต้องหาต้องเลือกต้องหาต้องเข้าใจพิจารณาจริงๆถ้าไม่เลือกไม่หาไม่พิจารณาจริงๆนะมันจะทุกคนลอกคนต้มเราไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นคันว่าพระอรหันนั้นอยากเข้าใจว่าจะห่อได้มันห่อไม่ได้มันน้ําหนักมันมาก เด็เครื่องบินเนมันจะห่อได้มีพัดลมมีอะไรอะต่มาก็ไม่ทราบนกมันก็ห่ะได้ภาษามันแนวของมันอันนั้นคนนี่มันไม่ใช่เป็นแนวห้อมันเดินคนมันต้องเดินเอาเป็นอย่างไงคำว่าห่อนั่นหมายถึงจิตใจคนพูดให้ฟังแล้วมันไม่โกรธคือมันห่ะมันยุ่เหนือเขาเรียกว่าเหนืออารมณ์เหนือไม่ใช่ว่าห่ะไปอย่างนั้นคือจิตใจมันเหนือ ทวยเหนือโลกไม่ใช่ว่าเหนือโลกแล้วไปเหาะอยู่บนฟ้าเนี่ยอย่าเขา้าใจอย่างนั้นเมนืออารมณ์อารมณ์เขาว่านมันเป็นโลกไม่มีความเสียบแทงเขายกยอบ้างเขานินทาบ้างอย่างนี้อย่าไปถือสาเนี่ยมันเป็นเรื่องสมมุติเอาดีอะไรกับมันไม่ได้โลกนี่เป็นอย่างนั้นมันเอาแน่เอานอนไม่ได้มันมีเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นที่อาตมาพูดนี่ พูดด้วยความจริงใจทุกคนเอาไปใช้ได้ในชีวิตนี้ทําตัวให้เป็นพระยาบุคคลได้จริงๆไม่ใช่จะมาบวชอย่างที่อาตมานี้มาบวชอย่างที่อาตมานี่ทุกคนเอาใครจะทาํานาทําสวนใครจะปลูกต้นไม้ใครจะปลูกผลไม้อะมากินมาบวชทุกคนก็ตายหมดแล้วแบบ น, นี้แล้วตายไม่ได้มีประโยชน์อะไรอันนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสันคัความพอใจสันทัศ ให้ขวมพอใจวิ Shot, i, ริยะค่วมเพียนจิตตะเอาใจใส่วิมังสะดำลิตีตองให้พอใจในการในงานของเราให้พอใจในเสื้อ <avía> ในผ้าของเราพอใจในหน้าที่ของเราสันท่าคพอใจวิริยะค่วมเพียนเพียนเพียนเพียนได้เพียนทำเพียนพูดเพียนคิดให้เพียนอย่างนั้นอย่างที่เรากำมือเนี่ยเพียนทำเยียดมือเพียนทำเนี่ย สรรพาความพอใจทําพอใจทําอย่างนี้แหละอันสตินณีแหละสะสมเล็กๆเลยห น, น้อยมันจะสามารถมีปัญญาแหลมคมเหมือนกันกับพระพเจ้าไม่ใช่แหลมคมเหมือนที่ว่าไปตัดอันนั้นอันนี้มันสามารถแหลมคมที่ไปตัดโทสะโมหะโลภะมันสามารถที่จะไปตัดความคิดมั่นถือมั่นเหล่านั้นมันสามารถที่จะไปไล่ความสงบที่มันหลงผิดนั้นได้ อันสงบนี้ขอแนะแนวอีกอย่างนึงสงบแบบใต้โมหะอย่างหนึ่งสงบแบบสติปัญญาอย่างสงบจึงมีสองอย่างด้วยกันสงบแบบอาลาดาบทอุตะกาดาบทนั้นสงบแบบใต้โมหะอันนั้นไม่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเจ้าายศิสถักกุมารเขาไปเรียนมาแล้วอันนั้นมันไม่ใช่เป็นทางคนทุกเราอย่าไปเสื้ออย่างที่ลมๆแรงๆอย่าไปเสื้อคนหลงผิดอย่าไปเสื้อคนไม่รู้ แล้วก็เรียนมาแล้วตำรับตำลามมันมีสงบแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยสงบแบบหลุดพ้นต้องลืนตาทําการทํางานหลุดพ้นจากขมหลงผิดอันนี้สงบแบบการเห็นแจ้งถ้ามีคนมายกเราคุณนั่นดีนะเหมือนกับป่าเคยเห็นสะดุ้งหรืออะไรที่เขาเรียกยกป่าเนี่ยเคยเคยรู้จักอาตมาไม่เข้าใจที่เขาไปจับป่าเป็น สะดุ้งหรื อ, อยกปล า, าปลาแล้วปลาบินปลาไี่อยู่ข้างในนะ่ะเขาเอาเป็นคันเป็นเป็นลงแพรลงอะไรที่เขาไปยกตามคลองนะ่ะเนียกว่าอะไระไม่ใส่เสวิงเขยยายกคือเขายกใหญ่ๆน่ยเขาใหญ่ๆเนี่ยยอยอยอเนี่ยยยอยอนะนั่นแหละถ้าปลาอยู่นั่นเขาไปยอเขายักได้ปลาเขาจะไปยอให้เข้าใจอย่างนี้เข้าใจไหมเมื่อคนมายกเราน่ะเขาต้องการเรา เขามายอเอาเขาหวังคนอยากกินปลาเขาต้องไปยอเอาคันถ้าเขาไม่ต้องการปลาแล้วเขาไม่ต้องไปยออันนี้ก็เหมือนกันเขาไปบอกเลขบอกบัตรบอกเบอร์ที่ว่าคนนั่นทําบุญเกง่งคนนี้ทําเขาไปยอเอาเรียกคนที่ไม่ดูก็หลงผิดนี่คนที่มาสอนนั่นเขามันมีเลี่ยงลงมลมคมไหนเขาไม่สอนด้วยการมีเมตตาสงสารเราหรอกอันนี้ที่พูดอย่างนี้ก็อยถาวาะอาตมาม า, มาโจมตีคนนั้นคนนี้ไม่ใช่โจมตีนะ พูดให้ฟังอย่างตรงไปตรงมานะอตาตมาไม่ยออ่อใครทั้งหมดใครจะมาย่ออาตมาก็แล้วไปไม่ย่อาก็แล้วไปจะมากดอตาตมาก็แล้วไปไม่กดก็แล้วไปนี่นอาตมาจะไม่เป็นทุกข์กับคนเท่านั้นไม่ทุกข์แล้วเอาแล้วอาตมาไม่จะ้ห่อไปที่ไหนเดินไปอย่างเนี้ยกินข้าวกับคนแล้วขอแล้วไปอาตมาไม่ได้จะแ บ, บกกดเข้าไปในถ้าไปอยู่คนเดียวนะไม่ต้องไปออาตมาจะไปพูดกับคนนี่แหละเพราะคนมันเป็นทุกข์ไปซ้อนมันทำไมถ้ํามันจะรู่อะไรไปอยู่ทำไมถ้าไปอยู่ในถ้ำก็กลับคืนมากินข้าวกับคนอีกแล้วเนี่ยมันเป็นอยังไง ถ้าตัวเก่งกันไปอยู่ในถ้ำเนี่ยจะมากินข้าวคนทําไมก็ไปกินข้าวผีนี่มันเป็นอย่างนั้นผีมันเอาเข้าให้กินไม่ได้เทวดามันเอาข้ากินไม่ได้เทวดานั้นเราไม่เอาพูดเรื่องเทวดาจะพูดอะไรบงเทวดาเขามีสมมุติเทวดาอุปติกาเทวดาวิสุกิเทวดาเขาว่าสมมุติเทวดานี่คือสมมติว่าอิสาคนนั้นะแม้ใจดีใจงามแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนเทวดานี่เทวดาสมมุติ อุปติกาเทวดาบัานนี้มันอุบัติขึ้นในใจเขามันมีฮิริคนั่อาหละใจใจเขาอุปติกาเทวดาอุปติกาเทวดาวิสุทธิเทวด า, าจิตใจมันบริสุทธิ์แล้วมันไม่สามารถที่จะทําคมสกตนเขาอย่าันเทวดามันเป็นอย่างนี้ถ้าจะพูดโดยตรงแล้วคือพวกที่คุณนี่แหละไปทํางานตามบริษัทห้างร้านหรือเป็นขา้าราชการตอนกลางวันไม่มีโอกาสไม่มีเวลา ที่ไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้านี่นะยังไงตอนเย็นดึกๆพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะให้เทวดาฟังพวกนั้นมันไม่มีเวลาจะไปกลางวันก็ไปทําการทํางานเลิกการเลิกงานมาแล้วก็มากินข้าวกินน้ําะไเงี้ยมาอาบน้ําอาบใ น, บนแต่งเนื้อเต่งตัวแล้วก็ ก, ก, กินข้าวกินน้ําแล้วก็พาลูกพาเมียไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าไปสนธนาธรรมกับพระพุทธเจ้าเพื่อจะอามาปฏิบัติในบ้านในเรือนเราอันนั้นเขาเรียกว่า วิสุทธิเทวดาสมมุติเอานั่นเนี่ยเทวดาคือผู้ที่ไม่ได้ทำงานกาค ก, กรรมด้วยเพื่อใครอย่างนั้นคือทำงานด้วยสติปัญญาคนเรียกว่ะสมมุติเทวดาจิงว่าสมมุติเทวดาอุปติกาเทวดาวิสุทธิเทวดาเราต้องเข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่เทวดาต้องอยู่บนฟ้าหุ้นเนี่ยมันเข้าใจอย่างนั้นอันนั้นก็จริงโดยที่ว่าคนไม่รู้เราต้องเข้าใจอย่างนั้น กำไรตำราเขามีดีแล้วแต่เราไม่เข้าใจคือเราไม่เคยสนใจนั่นเองนี่ไม่เป็นอย่างนั้นดังนั้นที่อาตมาได้นํามาเล่าให้ฟังเรื่องประลัมประาหลายเรื่องหลายๆแต่สิ่งที่จะรู้เรื่องนี้นั้นอาตมาได้เจริญสติแบบที่อาตมาสอนน่ย น, นั่งตรงๆอย่านั่งห้อยเท้าก็ได้นั่งขัดธมาตก็ได้เยียดขาก็ได้นพระเพียบ ก, ก็ได้เอามือวางไว้บนขาเนี่ย พลิกมือขึ้นให้มีสติเข้าไปรู้สึกยกมือขึ้นขึ้นมาครึ่งตัวให้มีสติเข้ามารู้สึกเอามือมาหาสะดือให้มีผมรู้สึกวันนี้พลิกมือซ้ายขึ้นให้มีผมรู้สึกยกมือซ้ายขึ้นครึ่งตัวให้มีผมรู้สึกเอามือซ้ายมาทับมือขวาให้มีผมรู้เลื่อนมือขว่าขึ้นหน้าอกให้มีผมรู้สึกเอามือขว่าเอามาตรงข้างให้มีผมรู้สึกลด